พวกเราที่มาเกิดกันเป็นมนุษย์นี m ่ m. M มีความแตกต่างกันทั้งๆที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ก็ไ ม, มมมไม่เหมือนกันมีความสูงความต่ำมีความสุขความเจริญไม่เหมือนกันเหตุที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า เกิดจากบุญบารมีที่เราได้สะสมกันมาในแต่ละภพแต่ละชาติแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างกันบางคนก็รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสบางคนก็มีฐานะการเงินการทองดีบางคนก็มียศฐานาสัก บางคนก็มีสติปัญญาความฉลาดมากน้อยไม่เท่ากันผลเหล่านี้เกิดจากเหตุคือบุญบารมีถ้าพวกเราอยากจะปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นให้มีความเจริญในราบยศสรรเสริญมากขึ้น เราต้องมาปรับที่เหตุกันคือมาสร้างบุญบารมีกันอดีตเราย้อนกลับไปไม่ได้เราทำได้ก็ในปัจจุบันนี้ส่วนผลก็ต้องรอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตปัจจุบันนี้เราก็ต้องรับผลของบุญบารมีที่เราได้ทำมาในอดีตทำมาน้อยก็มีความสุขความเจริญ น, น้อย ทำม า, มา ก, ก็มีความสุขความเจริญมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีการหมดได้บุญบารมีก็หมดได้ถ้าเราไม่ทําต่อไม่เสริมต่ออนาคตก็จ ะ, ะลงต่ําได้แต่ถ้าเรามันสร้างบุญบารมีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะเกิดมาสูงหรือต่ํา อนาคตย่อมจะทำให้ชีวิตเราขึ้นสูงขึ้นไปไเรื่อยๆไม่มีวันลงต่ำถ้าตราบใดเราไม่หยุดสร้างบุญบา ร, รมีจนกว่าเราจะไปถึงขั้นสูงสุดที่เราไม่ต้องสร้างบุญบา ร, รมีต่อไปคือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันตสาวกเท่านั้นที่ จุดถึงจุดสูงสุดของชีวิตเป้าหมายชีวิตของพวกเราความเจริญสูงสุดของชีวิตของพวกเราก็คือการได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอาหารหันตสาบกเพราะว่าจะเป็นการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว ไม่ต้องกลับมาเกิดสูงสูงต่ำต่ำขึ้นขึ้นลงลงไปกับการขึ้นลงของบุญบารามีของเราแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญบารามีไปเรื่อยทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะถึงจุดที่เราคือจุดสูงสุดจุดที่เราไม่ต้องสร้างบุญบารามีต่อไป พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรตวในวันเพ็ญเดือนหกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องสร้างบุญบา ร, รมีแล้วท่านได้ถึงจุดสูงสุดแล้วสร้างไปก็ไม่สามารถทําให้ขึ้นไปสูงกว่านั้นได้พระอาหารหันตสาวกแต่ละพระองค์ก็เหมือนกันพอได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วท่านก็ไม่มีความจําเป็นที่จะสร้างบุญบา ร, รมีอีกต่อไป การกระทาต่างๆของท่านหลังจากนั้นเป็นกิริยาเป็นการกระทาไม่ได้เพื่อตนเองทำเพื่อคนอื่นอย่างพระพุทธเจ้าหลังสัตว์หลังจากที่ตัดสรตวแล้วก็ส่งสละอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนอบรมรสัตวโลกด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัต สั่งสอนให้สัตว์โลกได้รู้ว่าชีวิตของตนจะขึ้นสูงหรือต่ำนั้นทําอย่างไรธรรมสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนถึงเหตุที่จะทําให้ชีวิตเราขึ้นหรือลงกันสอนให้สร้างเหตุที่จะทําให้ชีวิตเราขึ้นกันและสอนให้ละเหตุที่จะทําให้ชีวิตเราตกต่ำและสอนให้ทําลายเหตุ ที่ทำให้พวกเรายัางต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คืองานของพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ทรงตัดสรู้แล้วไม่ได้เป็นการสร้างบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมีท่านมีครบร้อยแล้วทำไปอีกก็เหมือนเทน้ำลงไปในแก้วน้ำที่เต็มแล้วเทไปเท่าไหร่ก็ได้แก้วได้น้ำได แค่แก้วแก้วนั้นเท่านั้นเองจะไม่ได้น้ำมากไปกว่านั้นแต่ก็ทรงทมเพราะความเมตตาต่อสัตว์โลกที่ยังเห็นว่าสัตว์โลกนี้ยังมืดบอดยังไม่รู้จาักการพาชีวิตของตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุด ก็เลยส่งสระเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี่พระพุทธเจ้ามีภารกิจห้าประการเรียกว่าพุทธกิจห้าี่ทรงบำเพ็ญเป็นประจำภารกิจสี่ข้อก็เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ธรรมะเช่นข้อที่หนึ่งในตอนบ่าย ก็ทรงสั่งสอนศัทธายาดอยู่ตอนค่ำก็ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรภิกษุณียามดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาและยามเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินตาบัดก็ทรงเล็งยามดูว่าจะไปสั่งสอนใครในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษ แล้หลังจากนั้นก็ส่งออกบินทบาทโปรดสัตว์นี่คือกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นปกติหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์จะทรงบําเพ็ญบารมีบุญบารมีต่างๆอย่างคำคำเขมกคขม้นอย่างเต็มที่อย่างสุดกําลังเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะได้ หลุดพ้นจากทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์จึงไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครในช่วงที่ทรงสเสด็จออกทรงรโนวชนและทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีด้วยกันทรงมุ่งไปอยู่ที่การสร้างบุญบารมีต่างๆให้สมบูรณ์เพื่อจะได้ทรงชีวิตของพระ อ, องค์ให้ได้ไปถึงจุดสูงสุด ให้ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ ค, คือการบําเพ็ญบุญบา ร, รมีนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้รู้ถึงวิธีที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจ ของพวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นของพระพุทธเจ้าและขั้นของพระอาลหาันตสาบกได้สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนและได้ทรงบาเพ็ญมาเรียกว่าบุญบารมีข้อที่หนึ่งที่ทรงสอนให้เราเหมั่นบําเพ็ญกันก็คือเมตตาบารมี ความเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดวต์เดรัจฉานหรือกายทิพย์ต่างๆถ้าเราพบปะเขาเราควรที่จะแผ่บารมีให้กับเขาให้ใหความเมตตากับเขาความเมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบกับ บรราสัพพะสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แผ่ตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์เวลาที่เราสวดบทแผ่เมตตาสัเพสัตตาอเวราหุนตุเวลานั้นไม่ได้แผ่เวลานั้นเป็นเวลาสวดหรือเวลาสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเช่นอเวราหุนตุสัเพสัตตาอเวราหุนตุ แปลว่าจะไม่มีเวรมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายใครเขาจะคิดร้ายกับเราทําร้ายเราพูดร้ายกับเราเราจะไม่โกรธเขาเราจะให้อภัยเขาเราเห็นว่าเขายังไม่สามารถควบคุมความรู้สึกกันไม่ดีของเขาได้เขาเลยต้องระบายออกมา ก็เหมือนกับเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาเรามักจะไม่โกรธเด็กเล็กด็กน้อยเวลาที่เขาทำอะไรเสียหายเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กไร้เดียงสาบางทีเขาถ่ายปัสสาวะตรงนู้นอุจจาระตรงนี้ทำข้าวของเสียหายเราไม่โกรธเด็กพอเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กเราให้อภัยเขาฉันใดคนที่คิดร้าย พูดร้ายทําร้ายผู้อื่นก็เป็นเหมือนเด็กจิตใจเขายังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าการกระทาของเขานี้เป็นการกระทาที่เสียหายทั้งกับผู้อื่นและทั้งกับตนเองการที่เราจะไปโกรธเขามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ควรที่จะให้อภัยเขา ถ้ามีโอกาสสอนเขาได้บอกเขาได้ก็บอกไปเพราะว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ดีเกิดความเสียหายทั้งผู้ที่ถูกกระทาและผู้กระทําผู้ถูกกระทําก็จะโกรธเขาก็จะอาฆาตพยาบาทเขาก็จะร่างแค้นเราไปด่าเขาเขาก็จะมาด่าเรา เราไปทำร้ายเขาเขาก็จะมาทำร้ายเราเรั้นเวลาที่เราโกรธใครให้ใช้สติระงับควบคุมความโกรธไว้จะดีกว่าอย่าระบายออกมาทางวาจาทางกายทางความคิดให้หยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธด้วยการใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธไป เวลาโกรธใครนี้เพืดให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็จะเลิกเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วความโกรธนั้นก็จะหายไปเราก็จะไม่ต้องไปพูดร้ายหรือทําร้ายพูดผู้อื่นเขาก็จะไม่มาโกรธเราเขาก็จะไม่มาพูดร้ายทําร้ายกับเรานี่คือการแผ่เมตตาในลักษณะ หนึ่งก็คือเอเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมใครใครเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราขอให้คิดว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กทารกยังไร้เดียงสายังไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วไปโกรธเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นไปตอบโต้เขาไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้โตไม่ก็ไม่ดีขึ้นเพราะมันแสดงว่าเราก็เป็นผู้เด็กไร้เดียงสาเหมือนกับเขาใช่ไหม เขาทำร้ายเราเราก็กลับไปทำร้ายเขามันก็พอกันแหละก็เป็นเด็กด้วยกันง่อด้วยกันทั้งคู่ไม่ไม่มีปัญญาคนที่เป็นคนผู้ใหญ่นี้เขาจะไม่ไปเล่นกับเด็กเขาจะไม่ไปด่าเด็กว่าเด็กตีเด็กหรู้ว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องก็มีแต่ต้องคอยห้ามปรามถ้าห้ามได้ ถ้าสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปให้เขารู้ไว้ต่อไปเวลาที่เขาไปทำกับคนอื่นที่เป็นเด็กไร่เลียงสาด้วยกันเดี๋ยวจะเดือดร้อนอนี่คือเวลาที่เราสวดสัพเพสัตตาเอเวลาโหนตุเวลานั้นเรายังไม่ได้แผ่ให้ใครเพราะยังไม่มีใครมาทำให้เราโกรธยังไม่มีใครทำให้เราอาฆาตพยาบาทขึ้นมา หือน้อยเนื้อต่ำใจเสียอ ก, กเสียใจเราต้องแผ่ตอนที่เราเจอคนหรือสัตว์ที่มาทำให้เราโกรธทำให้เราน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจแล้วทำให้เราคิดที่จะทำร้ายเขาเราก็ต้องแผ่เมตตาตอนนั้นสัเพสัตตาสัรพสัตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานหรือเทวดากายทิพย์ทั้งหลายก็ ให้แผ่ตอนนั้นตอนที่เขามาทําให้เราโกรธแล้วความโกรธเราจะหายไปแล้วเราก็จะไม่ไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายกับเขาและกับเราเขาก็จะไม่มาทําอะไรเราเมื่อเราไม่ไปตอบโต้กับกับการกระทําของเขานี่คือ <c oughs> วิธีแผ่เมตตาวิธีที่หนึ่งอเวราโหนตุ วิธีที่สองสัเพสสัตตาอัปบบยาปชาหุนตุคือไม่เบียดเบียนกันเราจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังว่าการกระทําของเราไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องไม่ให้ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการทำมาหากินของเรา ถ้าเราไปเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาขายอันนี้ก็จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสัตว์ประสาทเดือดร้อนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าวัวเป็นอาชีพแล้วก็เอาไปขายได้เงินมาเพื่อเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำแบบนี้เรียกว่าเบียดเบียนกันเรา ถ้ามีความเมตตาเราจะไม่ไม่ควรทำไม่ควรเบียดเบียนกันคนทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอาชีพที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเช่นทำทำเสื้อผ้าขายอย่างเงี้ยคนซื้อเสื้อผ้าก็ได้ประโยชน์แล้วเขาก็ไม่เราก็ไม่ทำอะไรให้เขาเสียหายเดือดร้อน ยิ่งเวลาเราทําอะไรเราต้องดูผลกระทบจากการกระทําของเราว่าไปเบียดเบียนผู้หรือเปล่าอ้าไม่เบียดเบียนก็แสดงว่าเรามีควา ม, มเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเิ่นเวลาเราดื่มโซดาแล้วเราควรจะไปขับรถยนต์หรือเปล่าออถ้าขับแล้วเดี๋ยวเราควบคุมรถยนต์ไม่ได้ก็ไปเกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดความเสียหาย ทางทรัพย์สินและทางชีวิตได้อย่างนี้เราก็ต้องไม่ทำไม่ดื่มได้ยิ่งดีถ้าดื่มแล้วก็ต้องอย่าไปขับเมาแล้วไม่ขับเมาแล้วไม่ขับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆนี้เกิดจากการดื่มจราแล้วก็ขับรถกันทางการจึงพยายามรณรงค์ให้เมาแล้วไม่ขับกัน ถ้าเรามีความเมตตาเราก็ต้องไม่ขับเวลาเราเมาหรือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ดื่มเลยดีกว่าพอเวลาเมาแล้วถึงแม้ไม่ขับรถแต่ก็อาจจะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนเมาสุราไหมวาจาก็หยาบคายกิริยาก็ไม่น่าดูการกระทําอะไรก็มีแต่ความเสียหาย ถ้าเราไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็อย่าไปดื่มสุรายามเมาเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตนเองด้วยเพราะจะทำให้เกิดโทษกับตัวเราเพราะเมื่อเราไปทําความเสียหายให้กับผู้อื่นเราก็ต้องรับโทษขับรถบเมาแล้วขับตำรวจจับก็เขาก็ไปตรวจดูปริมาณของแอลโกอฮอล์ถ้าเกินเขาก็ปรับเลือขังคุก ถ้าไปทำอุบัติเหตุก็ต้องชดเชยค่าเสียหายต่างๆนี่ก็คือการไม่เบียดเบียนกันการทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือการหาความสุขไปเที่ยวกันไปทำอะไรกันก็อย่าไปทำบุญกองทุกของผู้อื่นเราสนุกสนานในฮาแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็ไม่ดี เราจัดงานเลี้ยงกันเปิดเสียงดังลั่นชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนผู้อืน่นบนในการหาความสุขของเรานี่คือลักษณะที่สองการแผ่เมตตาเวลาเราทำอะไรทางกายทางวาจะให้รามัดระวงังไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อืน่น ลักษณะที่3สุขีอเนคาโหนตุขอให้ศัสตร์ทั้งหลายปราศจากความทุกกายทุกใจเถิดก็คือเราอยากเป็นทำให้เขามีความทุกกายทุกใจทําอะไรก็ถ้าเขาทุกกายทุกใจช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาเราไม่อยากให้เขามีความทุกกายทุกใจ เวลาเห็นใครทุกทางร่างกายเช่นขาดแคลนอาหารขาดแคลนข้าวของปัจจัยสี่เช่นเวลาน้ำท่วมไฟไหมเราก็แผ่เมตตากันด้วยการเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันนี่ก็เรียกว่าอนีคาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีความทุกข์กายทุกใจกันเถิดข้อที่สี่ก็ ขอให้สัตว์ทั้งหลายสุ ข, ขีอัตนานเปอริหะรันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนเถิดวิธีที่จะทําให้คนอื่นเขามีความสุขถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแต่เขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เขาอาจจะไม่เดือดร้อนทางร่างกายทางจิตใจร่างกายก็เฉยเฉยจิตใจก็เฉยเฉยแต่เราอยากจะให้เขามีความสุข แล้วก็มีอะไรก็เอามาฝากเขาเลยมีของขวัญเนี่ยไปเที่ยวมาไปซื้อของกลับมาก็เอามาฝากเนี่ยพอเขาได้รับของฝากจากเราเขาก็มีความสุขขึ้นมาทันทีอสุ ข, ขีอัตานังประลิหะวันตุเขาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขรักษาตนเถิดวิธีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือต้องให้ความสุขกับเขาเขา เขามีความสุขด้วยอะไรเราก็ให้สิ่งนั้นส่วนให ญ, ญ่เขาก็มีความสุขจากการได้ลาบยศกันได้สันสนเสริญเจอกันก็ยอเขาหน่อยสิพี่วันนี้สวยเหลือเกินพูดแค่นี้เขาก็มีความสุขนะถ้ามีขนมเอามาฝากก็ยิ่งมีความสุขใหญ่นี่ก็คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอพบะกับสรรพสัตว์ ไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดแผ่เมตตาไปไม่ได้แผ่หรอกเขาไม่ได้ให้แผ่ตอนนั้นเขาให้สอนให้เตือนตนที่ให้เราสวด น, นี้เพื่อให้เราเตือนตนว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกับสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราแผ่เมตตาได้ทุกครั้งที่เราพบปะสรรพสัตว์นี้เราจะได้รับอ น, นิสงส์หลายประการด้วยกันข้อนหนึ่งก็คือ จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปไหนจะมีแต่คนนักเรให้แจกขนมให้เด็กนี่พอเห็นเราวิ่งตามเราเลยเขานักเราเขาเกลิ่นเราเขาวิ่งตามเราเพราะเราแผ่เมตตาเรามีข้าวของอะไรมาฝากเขามาแจกเขาหนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสอง จะไม่ตายด้วยสัตร์อาวุธหรือยาพิษนะเพราะจะไม่มีคิดไม่มีใครเขาจะคิดฆ่าเราคนที่มีความเมตตาจะไม่มีศัตรูจะไม่มีใครอยากจะฆ่าเราด้วยอาวุธหรือด้วยยาพิษนะสามเตื่นก็มีสุขเวลาเตือนก็สุขเวลาหลับก็สุขนมีความสุขตลอดเวลาทั้งขณะที่เตื่นและขณะที่หลับ สี่เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายะจะฝันดีห้าถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้ไปเกิดในสุคติอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ถ้ามากกว่านั้นก็ได้เป็นเทวดานี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการที่เรามาสร้างบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งนี้คือการแผน่เมนตตา ฉันขอให้ทาความเข้าใจว่าเวลาที่เราสวดนมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราแผ่เมตตาตอนนั้นเราไม่ได้แผ่ตอนนั้นเรากำลังสอนตัวเราให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาเตือนเราว่าเวลาเราโกรธเราต้องรีบแผ่เมตตาทันทีเวลาเห็นใครเขาเดือดร้อนเราต้องรีบช่วยเหลือเขาทันทีเวลา ทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้ไปสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาเห็นใครเ็าไม่มีความสุขก็แบ่งความสุขให้กับเขานี่ก็คือวิธีแผ่เมตตาที่เราสวดกันนี้เป็นการเตือนเราสอนเราแต่เรามักจะลืมกันเพราะเราคิดว่าเราแผ่แล้วพอเราเจอกันที่แยกเคี้ยวใส่กันเลยโกรธกันเลย พอใครเขาพูดไม่ดีคําเดียวก็โกรธก็และวอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้เตือนเราเราก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมแผ่เมตตากนันนี่คือบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งคือให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วจะทําให้เราสร้างบุญบา ร, รมีข้อที่สองได้คือการสร้างทานบา ร, รมี าบารมีก็คือการแบ่งปันข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ใช้ให้กับตัวเราเองก็ไม่ได้บุญไม่ได้บารมีก็ได้แต่ความสุขชั่วคราวเช่นเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อกระเป๋าที่มีอยู่แล้วต้องสิบใบซื้อรองเท้าที่มีอยู่แล้วต้องยี่สิบคู่สามสิบคู่ หรือไปแนละ้วไม่มีความแตกต่างอะไรมากนะเป็นความสุขเดียวๆความสุขขณะที่ได้ซื้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาเงินทองนี้ไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะได้ความสุขมากกว่าเพราะเวลาเราเห็นคนอื่นที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาได้บรรเทาความเดือดร้อนได้ความสุขเห็นหน้าตาเขามีความสุขนี้มันทาให้เรามีความสุขทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจ มากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆหรือเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกลับมาไม่กี่วันเดี๋ยวหายไปหมดนะเนื้อือแต่ความจำแล้วถ้าคิดถึงอีกก็ไม่ได้ทำให้อิ่มแต่กลับทำให้หิวทำไม่อยากเที่ยวอีกแต่ถ้าเราคิดถึงบุญที่เราทำนี่แทนที่จะหิวกลับไม่หิวกลับอิ่ม ทุกครั้งที่เราได้ทำบุญคิดถึงบุญที่เราทำกับคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้เขามีความสุขนี่เรารู้สึกเรามีความสุขใจขึ้นมาทันทีนี่คือทานบา ร, รมีที่เราควรที่จะหมั่นทำกันถ้าเรามีฐานะที่เราจะทำได้แบ่งเงินไว้ให้เป็นส่วนๆ ส, ส่วนไหนที่จะต้องเก็บก็เก็บไว้เพราะในอนาคตเราก็ไม่แน่นอนว่า จะขาดแคลนหรืออะไ ร, รไม่ไม่เราก็ต้องมีสำรองไว้ดูแลตัวเราเองแล้วก็มีไว้สำหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นในแต่ละวันปัจจัยสี่เราก็ต้องมีถ้าแบ่งแล้วยังมีเหลืออยู่นะก็เอาไปทาทานเพราะเป็นการทาทานนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าเป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากในธนาคาร เพราะว่าเวลาที่เรากลับมาเกิดในภพหน้าชาติหน้าถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดสูงสุดเราก็จะมีเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคารรอเราอยู่เราจะได้มาเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะการเงินการทองที่ดียกตัวอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรอนนันกำมเพญทานบารนีทำทานอย่างสุดๆใครเดือดร้อนใคร ต้องการความช่วยเหลือใครอยากได้อะไรมีก็ยกให้เขาไปเลยท่านทำแล้วท่านมีความสุขพอตายไปท่านก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีประสาทสาฤ ด, ดูรออยู่มีเงินมีทองมีบริสัทธ์บริวารคอยรับใช้อันนี้ก็เป็นอนิสง์ของทานบารมี ในขณะที่เป็นพระเวชจัสดอนอันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเงินทำบุญททานนี้ไม่ใช่เงินศูญย์เปล่าแต่เงินที่เก็บไว้เนี่ยเป็นเงินศูญย์เปล่าอย่างเศรษฐีคนหนึ่งที่ร่มรวยแต่เป็นคนตนีไม่ยอมทำบุญทาทานไม่ยอมบอกแม้แต่ลูกๆว่าเงินทองตอนเองเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนตอนเอาไปฝังดินหมด แล้วเวลาตายไปความผูกพันกับเงินทองนง้นทำให้แกต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของแกพอดีพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็รู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปก็บอกลูกๆว่าสุนัขตัวนี้คือพ่อของเธอนะเขากลับมาเกิดเขายังห่วงสมบัติเขาอยู่ถ้าพวกเธอ เลี้ยงหมาตัวนี้ไว้ดีๆอย่าปล่อยให้มันหนีไปไหนเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อเธอฝังไว้ให้เดี๋ยวไม่นานมันก็ไปขุดสมบัติต่างๆมาให้ลูกๆ ก, ก็เลยเชื่อพ่ะพุทธเจ้าเชื่อเรื่องบุญเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทานบารมีถ้าหวงเงินเก็บเงินไว้ก็กลับมาหาเงินเหมือนกันแต่กลับมาในภาพของสุนัข ไม่สามารถใช้เงินทองเหล่านั้นได้เพราะว่าตนไม่เคยทำบุญทำทานจะกลับมาหาเงินของตนกลับมาเป็นสุนัขได้อย่างมากก็แค่อาหารที่ลูกๆจะเลี้ยงดูเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถเอาเงินทองเหล่านั้นไปใช้ไปทำอะไรได้ขณะที่อยู่ก็ไม่กล้าใช้กลัวจะหมดไม่กล้าทำบุญทำทานเสียดายห่วง ยอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้เงินตายไปกลับมาเกิดก็ไม่ได้ใช้เงินของตนเองแต่ถ้าเอาเงินนั้นไปทำบุญสายบาททำบุญช่วยเหลือคนยากคนจนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมตายไปกลับมาเกิดจะมาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีอันนี้ก็เป็นเรื่องของฐานบารมีก่คนเราที่เรามาเกิดกันมีฐานะร่ารวยต่างกันก็ เพราะว่าในอดีตเราทําทานมาไม่เท่ากันคนที่ทําทานมามากก็จะมีส้มหล่นมากคนที่ทําทานมาน้อยก็ส้มหล่นน้อยถ้าไม่ได้ทําทานเลยก็ไม่มีส้มหล่นเลยต้องไปหาเอาเองต้องไปปลูกส้มใหม่กว่าจะได้กินก็เหนื่อยแก่ตายซะก่อนดังนั้น ถ้าเราอยากจะเกิดแล้วน่ำรวยถ้าชาตินี้เราไม่รวยก็ขอให้เชื่อว่าชาติหน้าเราจะรวยได้แทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวหาความสุขแค่ชั่วประเดียวประเดาวเอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่าแล้วกลับมาเราจะรวยกว่าเก่าจะมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่านี่คืออ น, นิสงค์ของทานบารมี บารมีข้อที่สามที่พระเจ้าสอนให้เราสร้างถ้าเราสร้างทานบารมีได้เราก็จะสร้างบารมีข้อที่สามได้เพราะมันมีความยากกว่ากันก็คือศีลบารมีศีลและบารมีก็คือการรักษาศีลทาถ้าเราชอบทำบุญทำทานเราจะไม่ชอบทำบาปเราจะไม่ชอบทำร้ายผู้อื่น ไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดโัวเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบดื่มสุรายามเมาก <c oughs> ็จะทำให้เราสร้างบา ร, รมีข้อที่สามนี้ได้คือศีลบา ร, รมีแล้วอนิสง์ของศีลนี้ก็คือจะทำให้เราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างปลอดภัยจะไม่มีไม่มีไม่มีโทษจากการกระทาผิดของเรา ถ้าเราทำผิดเนี่ยถ้าเราไปลักทรัพย์ก็มีโอกาสถูกจับเข้าคุกเข้าตารางได้ถ้าเราไปฆ่าคนก็จะมีสิทธิ์ถูกจับไปประหารชีวิตได้ถ้าเราไม่ทำบาปไม่ั้งห้าข้อนี้จะไม่มีโทษตามมาเราจะอยู่อย่างปลอดภยัยอยู่อย่าง ส, สงบอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องหวาดวิตกกังวลก่อนที่ทำบาปหล่านี้จะต้องคอยหลบคอยซ่อน มีความวาวิตกกังวลว่าจะถูกเขาตามมาจับได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ถ้ารอดจากการถูกจับในชาตินี้ถ้าทำบาปก็ยังมีมีที่เขาจะจับเราไปลงโทษต่อหลังจากที่เราตายไปผู้ที่ทำบาปทั้งห้าข้อนี้ถ้าตายไปแล้ว น, นี้จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทวดาแต่จะไปเกิดในอบาย สี่ที่ด้วยกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นรัศมลกายบ้างไปตกนรกบ้างท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความโงด้วยความไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ว่ามีโทษตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรวยตายไปก็ไปเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราก็เลยทำล้ายเขาก่อนถ้ามดข้ายุงตายไปก็ไปเกิดเป็นอสูรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นไ ม, ไม่ไม่รู้จักความเมตตาไม่รู้จักการให้อภัยตายไปก็จะไปตกนรก นี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีลห้างั้นถ้าเราไม่อยากที่จะไปรับผลที่ไม่ดีตั้งในขณะที่เราอยู่ขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่เราตายไปแล้วก็ขอให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปไม่ต้องไปเกิดในอ้ายอย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้ทาบุญทาทานด้วย ก็ไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพื่อสร้างบุญบรารมีต่อเพราะคนที่ทำบุญก็จะติดนิสัยชอบทำบุญคนที่รักษาศีลก็จะติดนิสัยคนที่ชอบมีความเมตตาก็จะติดนิสัยเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมามีแผ่เมตตาต่อมาทำบุญทำทานต่อมารักษาศีลต่อ อันนี้เกิดบารมีที่จะทำให้คนเหล่านี้เกิดมามีความแตกต่างกันคนที่เกิดมาแล้วมีอาการพิกลพิการร่างกายรูนนั่งหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบสามสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเยียนนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการทำบาสนี้จากการทำผิดศีลห้าข้อนี้ทำให้คนมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอัปักษณ์ พิกลพิการหูหนวกตาบอดมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะเกิดแบบนั้นก็พยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ดีนะดีบา ร, รมีข้อที่สามที่ทำให้เรามีความแตกต่างกันบา ร, รมีข้อที่สีมมรรมมมม่ก็คือเนคขมมะบารมีคำว่าเนคขมมะก็คือ การออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการออกจากกาม ừ, ก, าการหาความสุขของมนุษย์เหล่านี้มีสองวิธีหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเวลาเราไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปรับประทานอาหารที่เราชอบเรียกว่าเป็นการเสพกามหาความสุขทางกามทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความสุขนี้มันเป็นความสุขประเดียวประดาวและกลายเป็นความทุกข์ได้ถ้าเกิดไม่เกิดไม่สามารถที่จะเสพได้เกิดเวลาอยากจะเสพอยากจะไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมาก็หายไปความทุกข์ก็เกิดใหม่เพราะอยากจะไปเที่ยวแต่คราวนี้ไปไม่ได้เงินหมดหรือไม่สบายหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ไปเที่ยว ตองอยู่บ้านก็เลยเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเหวขึ้นมานี่เป็นการหาความสุขที่มีความโทษตามมามีความทุกข์ตามมานะความสุขอีกแบบหนึง่งคือการหาความสุขจากการไม่เสพกรรมจากการทําใจให้สงบอย่านงะนะนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจด้วยการใช้ธรรมะ เป็นผู้สร้างให้เกิดความสุขขึ้นมาไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ใช่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายคนที่จะหาความสุขทางใจต้องเจริญเนฆา ม, มะบรมีเกียุติการหาความสุขทางทางตาหูจมูกนิ้งกายวิธีที่จะยุติก็คือการถือศีล8หรือศีลสิหรือศีล2องเนี่ยนี่ ผู้ที่เขาถือศีล8กันถือศีลสิกันถือศีลรินี้เป็นพวกที่กาลังเจริญเนกขัมมะบา ร, รมีพวกนี้เขาจะหยุดการหาความสุขทางร่างกายเขาจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาเขาจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายเขาจะรับประทานแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ไม่เกินเที่ยงวัน หลังจากนั้นเขาจะเอาเวลามาหาความสุขทางใจมาทำใจให้สงบเขาจะไม่ออกไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปตามโรงมหรศศพไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยสดงดงามเสริมความงามด้วยเครื่องสาอางทำเเผาทำผมใช้น้ำมันน้าหอมอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะเป็นความสุขทางน่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวพออาบน้าเสร็จก็หายหมดพอกลับมาบ้านจะเข้านอนก็ต้องถอดชุดเหล่านี้ออกหมดล้างหน้าล้างตาความสวยงามที่ได้จากการเสริมความงามเหล่า น, นี้ก็หมดไปความสุขที่ได้ก็หมดไปงนั้นคนที่ฉลาดจึงเห็นว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขประเดียวประดาว ก็ลยอยากจะมาหาความสุขที่พระเจ้าได้ทรงคนพบเกิดความสุขทางใจก็เลยมาถือศีลกันเนี่ยพวกที่นุ่งขาวห่มขาวนี่พวกนี้เขากำลังจเจริญเนธขมะบารมีหรือพวกที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เช่นเดียวกันละเว้นจากการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลานอนก็ไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะมันสบาย สบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปมันจะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจถ้าไปหาความสุขทางร่างกายจากการหลับนอนผู้ที่ถือในคขมะบารมีก็เลยต้องนอนบนพื้นบนนอนกับปู ด, ด้วยเสือ่อปู ด, ด้วยผ้าไม่ให้สุขสบายเกินไปให้พอพักผ่อนหลับนอนได้ก็พอร่างกายถ้า ง, ง่วงแล้วมันนอนที่ไหนก็หลับทั้งนั้นแะ แล้วพอมันได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นแล้วมันก็จะลุกขึ้นมามันจะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนฟูกหน า, หน า, หนาเตียงใหญ่ๆเวลามันตื่นขึ้นมามันยังไม่อยากจะลุกจะนอนต่ออีกสามสี่ชัว่วโมงสี่ห้าชัว่วโมงกานที่จะ เ, เวลานี้มาหาความสุขทางใจก็จะไม่ได้หากันนี่คือเนื้อธมะปารมี คนที่รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีนแปดได้ง่ายถ้ายังรักษาศีนห้าไม่ได้นี่ใช่รักษาสีนแปดก็บอกว่าไม่ไหวแล้วขนาดแค่ห้าข้อยังไม่ไหวเลยแล้วแปดข้อจะไปไหวได้ไงแต่คนที่รักษาห้าข้อได้แล้วบอกโอ้ยอีกสามข้อไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเลยไม่นอนกับแฟนคืนเดียวไม่ตายหรอกใช่ไหมไม่กินข้าวเย็นมื้อเดียวไม่ตายหรอก ก็กินมันเยอะๆก่อนเที่ยงก็กินให้มันพอเอาเอาม้อเย็นมากินตอนเที่ยงเท่านั้นเองก็เหมือนเดือดร้อนตรงไหนใช่ไหอไปเที่ยวก็บางทีก็เบื่อก็ไม่ต้องไปสักพักก็ได้ไปบ่อยๆมันก็เบื่ออยู่ดีดูหนังฟังเพลงซ้ำซากก็เบื่อก็เลิกดูมันสักพักแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็มีชุดเก่านะก็เบื่อไม่ต้องแต่งมันสักครั้งก็เหมือนเดือดร้อนที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาถือ สิ่นในวันพระกันเนคขมมะบา ร, รมีมาสร้างเนคขมมะบา ร, รมีในวันพระกันถ้าเราถือศิ่นหมาได้มาเพิ่มอีก3ข้อนี่มันไม่เดือดร้อนะมันไม่ยากเย็นตรงไหนนอนบนพื้นก็ได้เหมนจะเป็นปัญหาอะไรอันนี้คือการสร้างเนคขมมะบา ร, รมีจะทําให้เราสามารถเข้าสู่ความสุขที่ดีกว่า ในอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามาสร้างบารมีข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อที่ห้านี้จะทําให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกายก็คือมาสร้างอุเบกขาบารมี ถ้ใจเราเป็นอุเบกขาแล้วใจจะมีความสุขมากวิธีที่จะทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาเราต้องทำใจให้สงบให้หยุดคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราจะรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วจะมีความสุขที่สูงสุดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่อให้ได้ลาบยศสรลเสริญมามากน้อยเท่าไหร่ความสุขที่ได้ก็สู้ความสุขที่ได้จากการเจริญอุเบกขาบารมีนี้ไม่ได้อุเบกขาบาลมีนี้ให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการได้ทาใจให้เป็นอุเบกขา การจะทําทใจให้เป็นอุเบกขาได้ต้องหยุดความคิดหยุดใจทําใจให้นิ่งใจจะนิ่งได้ต้องมีสติเราจึงต้องมาฝึกสติกันนถือศีลแปดแล้วเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติมาเจริญศีลแปดมาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมพุทโธนี้จะทําให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็จะคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธไป พอเราไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็หยุดคิดอ่นพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อยา่าอย่าไปคิดให้ใช้พุโทโธแทนอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุข ดีไม่ดีจะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราควบคุมความคิดได้ใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายจะเบาเบาอกเบาใจแต่จะให้ใจรวมเป็นอุเบกขาได้นี่เราต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ก่อนที่จะมานั่งได้เราต้องมีสติก่อนถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเรานั่งปับ๊บมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ ถ้าปล่อยให้มันคิดนั่งไปนานเท่าไหร่มันก็จะไม่รวมไม่เป็นอุเบกขาถ้าอยากจะให้มันรวมนี้ต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนที่จะมานั่งฝึกสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนคอยควบคุมความคิดพุดโทโธก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เคยก็คอยสังเกตดูการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูมันอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันพอเวลามานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกถ้าใจมันไม่ไปที่อื่นอยู่กับลมเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันก็จะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้จิตนี้ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายนี่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุข มีความเจริญจะทำให้เราใกล้กับการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่อุเบกขาที่เราได้จากการเจริญอุเบกขานี้มันยังไม่อยู่ถาวรพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวอุเบกขาก็หายไปถ้าเราไปคิดถึงเรื่องนั้นทำให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอุเบกขามันก็จะหายไปถ้าอยากจะให้อุเบกขาไม่หายไป เราก็ต้องเจริญบา ร, รมีข้อที่6กนี่ก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถรักษาอุเบกขาที่เราไดจากการนั่งสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปอย่างถาวรเพราะสิ่งที่จะมาทำลายอุเบกขาของเราก็คือความอยากขรัมประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามาตัาหา ความอยากได้ลาภยศสรรเสริญภาวะตันหาความอยากไม่สูญเสียลาภยศส ร, รรเสริญสุขที่ได้มาไปเรียกว่าวิภาวะตันหาเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ต้องยอมให้อะไรจะเกิดก็เกิดลาภยศสรรเสริญ น, นี่มันเป็นของไม่แน่นอนมาได้ก็ไปได้จเจริญได้ก็เสื่อมได้ถ้าไม่มีก็อย่าไปอยากมีมันถ้ามีก็อย่าไปเสียดายมัน ถ้ามันจะจากก็ปล่อยมันจากไปถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นสมาเสกอันนี่คือปัญญาบาลมีถ้าเรามีปัญญาบาลมีแล้วเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเมื่อเราไม่มีความอยาก เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราก็จะกลายเป็นพระอาลันตสาวกหรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้ด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีใครสอนเราถ้ามีคนสอนเราเราก็จะเป็นพระอาลันตสาวกคาว่าสาวกก็คือผู้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้ด้วยตนเองะ บรรลุได้ด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าสร้างบารมีทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนค้นคว้าหาเองศึกษาเองก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนก็จะเป็นพระสาวกแต่ก็จะถึงจุดเดียวกันคือจุดที่การไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจุดที่มีแต่ความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราต้องมีบารมีอีกสี่ข้ อ, อข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขออธิษฐานมีสองความหมายความหมายที่ญาติโยมเข้าใจกันก็ขอเวลาอยากจะได้แล้วก็ให้อธิษฐานนทําบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่ อันนี้ไม่ใช่เป็นอธิษฐานของบาลมีอธิษฐานบารณีแปลว่าความตั้งใจความการตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราว่าเราควรจะทำอะไรเราต้องมีอธิษฐานคือมีความตั้งใจที่จะมาสร้างบรารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบรารมีสร้างศีลบรารมีเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจก่อนเราถึงจะทำได้ ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาวัดเราก็ไม่รู้จะไปไหนถ้าเรารู้ว่าเราจะไปไหนก็แสดงว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปทำสิ่งที่เราต้องการจะไปเรานีาไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจก่อนถ้าไม่ตั้งใจก็อยู่บ้านเฉยๆตินมาไม่รู้จะไปไหนดีวันนี้ก็แสดงว่าไม่มีอธิษฐานไม่มีความตั้งใจ งั้ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเราก็ต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพอเรามีความตั้งใจแล้วข้อที่สองที่เราต้องมีก็คือสัจจะความจริงใจถ้าเราไม่จริงใจต่อความตั้งใจเดี๋ยวพอถึงเวลาให้ทําก็ไม่ทำํำถึงเวลาให้ทําบุญก็เปลี่ยนใจเสียดายเงิน อาเงนินไปซื้อกระเป๋านีกว่าไปซื้อรองเท้าดีกว่านี่แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะตั้งใจว่าวันนี้จะทําบุญน้อยบาทถึงเวลาก็ต้องฟักเงินน้อยบาททําไปไม่ใช่สองจิตสองใจจะไปทําอะไรดีนี่เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต่อการอธิษฐานของเราต่อความตั้งใจก็จะไม่สามารถทําตามที่ตั้งใจได้ จนวันนี้ตั้งใจว่าจะมาวัดมาทําบุญมาสร้างทานบารมีพอถึงเวลาก็อาจจะปวดท้องปวดหัวพอจะมาได้อยู่ แ, แต่มันไม่อยากมาซะแล้วเพราะมันไม่สะดวกก็เลยไม่มาอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียสัจจะไม่มีสัจจะไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ในความตั้งใจข้อที่สองที่จะทําให้เราทําสําเร็จได้ก็คือสัจจะข้อที่สาม ที่จะทําให้เราต้องทําให้ได้ก็คือความเพียรความขยันถ้าตั้งแล้วมีสัจจะแล้วพอถึงเวลาก็ยังไม่ทําขี้เกียจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเพียรตั้งใจจะนั่งสมาธิพอถึงเวลาทํำท่าจะนั่งพอนั่งได้ปั๊บหัวลม้มลงหลับเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความเพียรแล้วนอกจากความเพียรแล้วยังต้องมีข้ออีกข้อหนึ่งเรียกว่าขันติอดทน พอเวลามีความเพลิแล้วนั่งแล้วเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เลิกดีกว่าไม่นั่งดีกว่าอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลสำเร็จถ้ามีขันติเจ็บหรือไม่เจ็บก็จะนั่งตั้งใจจะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ตั้งให้มันชั่วโมงหนึ่งพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปไม่ไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายปว่ายมันเจ็บไปถ้ามีความอดทนมีขันติมันก็จะนั่งได้การที่เราจะสร้างบารมี ต่างๆเช่นเมตตาบารมีทานบาลมีศีลบาลมีเนคขมะบาลมีอุเบกขาบามีปัญญาบารมีเราต้องมีอธิษฐานบาลมีมีสัจจะบารมีมีวิริยะบามีความภาคเพียรความขยันมีขันติบารมีความอดทนถ้าเรามีสี่ประการนี้แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม เราจะสามารถทำให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างแน่นอนนี่คือวิธีปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นจากที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตของเรานี้จะมีแต่จเจริญขึ้นไปตามลาดับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ว่าทำมากทำน้อยนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอน แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรกวาหาปุราปุริกปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิต ah e ุทินางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏติตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณะระโสยะถามณิโชติ พระโสยะถาสัพพิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทาติอายุวโนสุขัง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 ตรงกับใจเราทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> วันนี้ทางบ้านทาง Facebook กับ YouTube ติดตามประมาณกีท่ทาง Facebook สูงสุด407ค่ ะ, ะทาง u t u b บ128ค่ ะ, อ, ะ, อ, ะอันนี้มีต่างชาติเข้ามาไหมไม่มีค่ะไม่มีนะม <c oughs> อาจารย์ชุมพรเวลาท่านมานี่ท่านชอบถามปัญหา ท่านมคีคำถามอยู่ทุกครั้งเลยมีประเด็นมาให้เปิดท่านก็สนใจมากนะรู้สึก อ, อันนี้รู้สึกว่าจะได้ข้อมูลครบทุกอย่างอยู่รู้แล้วว่าต้องทำอะไรนะรต้องปฏิบัติเพราะการฟังถามก็เพียงแต่เป็นการศึกษาแนวทางศึกษาแผนที่มเมื่อเรู้ทางแล้วเราก็ต้องออกเดินทาง อาจารย์สอนชัดเจนแล้วครับแต่ว่า ม, มันปฏิบัติมันไม่ค่อยไปยังไม่พร้อมยังไม่ได้มีคำถาม <S <S <S <S จะให้ลองทางบ้านก็ถามมามีคำถามเข้ามาไหมคำถามจากคุณฮิม์ข้อที่หนึ่งค่ะเวลาผมบริกรรพุทธโทรในบางครั้งก็สง บ, บดีแต่ทำได้วันสองวันก็ฟุ้งซ่านมาก เลยเปลี่ยนมากำหนดดูที่กลางตัวก็สงบได้วันสองวันแล้วก็ฟุ้งซ่านกาหนดไม่ค่อยได้เลยเปลี่ยนมาพิจารณากายเป็นท่าสี่ก็ได้ความชัดเจนวันสองวันแล้วก็กำหนดไม่ได้ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ตลอดอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับก็วควรจะทำให้มันต่อเนื่องนะเวลาที่มันถ้าเวลาช่วงไหนที่เราไม่ทาเวลานะมันก็จะฟุ้งซ่านเวลาไหนถ้าเราม่พุโทโธ มีสติอยู่กับการกระทําอะไรมันก็จะไม่ฟุ้งเหมือนรถ น, นี่ยถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันก็ไม่หยุดพอเราปล่อยเบรกปั๊บมันก็วิ่งถ้าเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไปเรื่อยๆนังการทาบริกรรมพุทโธก็ดีการพิจารณาธรรมก็ดีเป็นการหยุดความคิดปุงแต่งพอเราหยุดเราปล่อยให้มันคิดปุงแต่งมันก็เลยฟุ้งซ่านไปไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเหมือนกันทั้งนั้น วิธีนี้หรือวิธีนั้นมันก็เป็นการหยุดความคิดเหมือนกันเป็นแต่ว่าเราไม่ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำอย่างต่อเนื่องทำแบบก็ตายคนจะทำแบบเต่าเต่านี่มันไปเรื่อยๆมันทำไปเรื่อยๆตายก็ตายนี่อยู่แต่อารมณ์วันไหนอารมณ์อยากจะทำก็ทำวันไหนไม่มีอารมณ์ก็ปล่อยมันก็เลยสลับไปสลับมาฟุ้งบ้างไม่ฟุ้งบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้าง ยังต้องพยายามทําให้มันต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอข้อที่สองค่ะการกําหนดพุโทโธนั้นคือให้กําหนดรู้ที่คําพุโทโธหรือกําหนดรู้เหมือนจุดที่เกิดพุโทโธครับให้ให้รู้อยู่ที่กับคําบริกรรมอยูอยอย่อยู่ที่ความคิดของเราคิดอยู่คําพุโทโธให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปให้รู้อยู่กับพุโทโธไปให้รู้ว่าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้ว่าเรากําลังอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว คำถามจากคุณหน่อยค่ะดิฉันศึกษาฟังธรรมะมาและก็ปฏิบัติตามมาเรื่อยๆจะเข้าปีที่สามแล้ว ป, ปัจจุบันนี้จิตใจของดิฉันมันจะเฉยๆนิ่งๆว่างๆในเกือบทุกเรื่องได้แล้วทุกที่เคยมีมันแทบจะไม่เกิดกับใจแล้วมีอยู่วันหนึ่งดิฉันเห็นหญิงสาวหน้าตาสวยน่ารักแต่มองอยู่พักหนึ่งกลับเห็นในใจลึกๆว่าเด็กสาวคนนั้นเป็นคนแก่ไม่มีฟัน แล้วก็เกิดตรง อ, อนนี้จังขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสอนจิตหรือไม่เจ้าคะอ่านั่นแหละจิตสอนจิตแล้วไม่มีใครสอนเราได้ล่ะเราต้องสอนเราเองตัวเราสอนตัวเราเองคนอื่นสอนก็สอนได้เป็นเป็นครั้งเป็นคราวแต่เราต้องคอยสอนเราตลอดเวลาเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงมันเกิดได้ตลอดเวลาเราต้องเอาคาสอนของครูบาอาจารย์นี้มาหมันม่นสอนใจเราอยู่เรื่อย ท่านพระพุทธเจ้สอนให้หมั่นพิจารณาเรื่องว่าเรื่องของการเกิดว่าเกิดแล้วต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราไม่หมั่นสอนเดี๋ยวพอเจอความแก่จะตกใจเห็นไหมเห็นผมขาวเส้นเดียวเนี่ยผมเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นเดียวยังทําให้ใจไหวทําให้ใจสั่นได้เลยเพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีคําสอนไม่คอยหมั่นสอนใจไว้ ถ้าเรามันสอนใจเรื่อยเจอมันขาทั้งหัวก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้มันเป็นธรรมดาหรือว่าห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดคำถามจากคุณเซเ่นค่ะเราถวายอาหารแด่ครทพิสุขสงหรือเวลาเราใส่บาทแล้วเราอุทิศแด่บิดามารดาหรือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาจะได้รับไหมคะถ้าก็รอรับอยู่เขาก็ได้รับ ถ้าเขาไม่ได้รอรับก็าอาจจะไปเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นอะไรอย่างอื่นเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบนส่วนนี้คำถามจากคุณเปาค่ะทอดกระถินมา20ปีไม่รู้สึกมีความสุขเลยมีความทุกข์ด้วยเช่นนี้ถือว่าไม่ได้บุญควรหยุดการทอดกระถิ่นใช่หรือไม่คะก็อยู่ที่ว่าเราทอดด้วยเพื่อเจตนาอะไรถ้าเราทอดในะ ทอดเพื่อที่เราจะหวังผลนี่มันก็จะไม่ไม่มีความสุขแต่ถ้าทอดโดยไม่มีความหวังผลตอบแทนก็จะมีความสุขเหมือนเราให้อะไรใครไปแล้วเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเขาเพียงแต่เห็นว่าเราได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราให้อะไรเขาไปแล้วอยากจะให้เขาดีกับเราอยากจะให้เขาขอบใจเราพอเขาไม่ดีกับเราไม่ขอบใจเราเราก็เสียใจยได้ งั้นถ้าอยากจะมีความสุขใจจากการให้นี้ต้องให้โดยที่ไม่มีความต้องการที่จะรับสิ่งตอบแทนจากการกระทําของเราจากผู้ผู้รับการกระทําของเราทําแล้วขอให้เขามีความสุขช่วยเหลือเขาแล้วเท่านี้เราก็จะมีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าทําบ่อยๆ ม, มันก็จะชินกับความสุขกันนี้ถ้าอยากจะให้มีความสุขมากกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติทําสูงกว่านี้ ว่าจิตมันเริ่มอิ่มตัวกับทานนะถ้าอยากจะให้มีความสุขมากขึ้นก็ต้องรักษาศีนลนะรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลห้าได้จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วพอรักษาศีลห้าไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันชินแล้วมันก็จะเฉยๆแล้วทีนี้ก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดเหมือนกับหาเงินตอนต้นได้เดือนละหมื่นก็ดีใจนะพอใช้พอทําไปสักปีสองปีได้หมื่นหนึ่งรู้สึกว่ามันชินแล้ว ถ้าได้เพิ่มสักสองหมื่นนี่มันถึงจะมีความสุขมากขึ้นยันเราก็ต้องเพิ่มการทำบุญให้มากขึ้นถ้าทำบุญปีนี้ทำแสนหนึ่งปีหน้าก็สองแสนแต่อยากจะให้มันสุขมากขึ้นก็ต้องเพิ่มเงินมากขึ้นถ้าเท่าเดิมมันก็สุขแต่มันสุขแบบแบบของเก่าอ่ะมันเคยฉิดแล้วมันก็รู้สึกเฉยเฉยแตก็ดีกว่าไม่ได้ทะ ถ้าถ้าหยุดทำกับมันกับทำนี้รับนองได้จะมีความรู้สึกแตกต่างกันเราหยุดทอดกระถินนักปีดืนไม่ได้ทำมันจะรู้สึกขาดอะไรไปแต่ถ้าทอดเท่าเดิมมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าทอดเพิ่มเพิ่มเงินที่เราจะบริจาคให้มากขึ้นนี้ก็จะเกิดความรู้สึกมีความอิ่มใจสุขใจมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีเงินเพิ่มก็มารักษาศีลแทนรักษาศีห้าดู การักษาสีห้าได้ทุกวันในี้ใจจะมีความสุขมากขึ้นต้องพัฒนาจากศีหน้าก็ไปสีแปดถ้าสีแปดแล้วยังรู้สึกเฉยเฉยก็ต้องไปนั่งสมาธิละถึงจะมีความสุขมากขึ้นถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกเฉยเฉยก็ต้องใช้ปัญญาละนี่มันจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับคําถามจากคุณเปาค่ะ มีเงินอยู่แต่กลัวหมดเพราะต้องใช้ทุกวันเอาแต่นั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกตัวเองไร้ค่าที่ไม่ได้หาเงินเพิ่มขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะวิธีคิดที่ถูกต้องด้วยค่ะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นผลจากการนั่งสมาธิว่ามันมีความสุขมากกว่าไม่เงินถ้าเราได้ผลจากการนั่งสมาธิแล้วเงินที่เรามีอยู่จะไม่มีความหมายเพราะเราไม่ต้องใช้มันซื้อความสุข าสามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้งั้นก็ตอนนี้ก็ต้องพยายามนั่งพยายามฝึกสติให้มากๆให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้ถ้าเกิดผลขึ้นมาแม้แต่เพียงชั่วแค่ขยิบตานี้มันจะทำให้มีความมีกำลังใจที่อยากจะนั่งบ่อยๆนั่งมากขึ้นเพราะมันเห็นคุณค่าว่ามีมีความสุขมากกว่ามีเงินกองเท่าภูเขาแล้วตอนนั้นมันก็จะ เห็นว่าการนั่งสมาธินี้มีคุณค่ามากจิตใจเรามีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นคำถามจากคุณนุชนาฏค่ะลูกทํางานที่สำพะกรอย่างซื่อสัตย์และซื่อตรงแต่ออกเร่งรัดทวงหสินภาษีทีไรผู้เสียภาษีตายทุกรายลูกบาศก์ไหมคะอ๋อไม่บาศกเ์เราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่เขาไม่ได้ตายเพราะเราไปเร่งรัดภาษีาหรอก พอดีเป็นจังหวะที่เขาต้องตายพอดีคำถามจากคุณสลาว ด, ดีค่ะข้อที่หนึ่งค่ะมีวิธีการฆ่าความเกลียดชังได้อย่างไรคะก็ความเมตตาไงให้เราแผ่เมตตาให้เราให้อภัยในสิ่งที่เขาทำหรือพูดที่ไม่ดีกับเราหรือถ้าหน้าตาเขาหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ให้เขา ก็มองเขาว่ามันเป็นเป็นวิบากของเขาแล้วก็คนเราดีชั่วไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาดีชั่วอยู่ที่การกระทาอยู่ที่จิตใจเขาหน้าตาเขาอาจจะเบีย้ยวบูดแต่จิตใจเขาอาจจะสวยงามก็ได้เราก็จะคลายความเกลียดชังได้ถ้าอยากจะให้มันคลายอย่างแท้จริงก็ฝึกนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขา เวลาใจเป็นอุเบกขาแล้วจะไม่รักไม่ชังจะเฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยเฉยข้อที่สองค่ะขอวิธีการเลือกคบคนหรือกัลยาณมิตรเพื่อจะได้เป็นแนวทางด้วยค่ะพระพุทธเจาบอกให้คบคนฉลาดคนดีคนโง่คนไม่ดีอย่าไปคบเนี่ย อ, อเซวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตให้ไม่ให้คบคนพานคนพานก็คือคน คนง่อคนไม่ดีบัณฑิตก็คือคนดีคนฉลาดคนดีคนฉลา ด, ด, ลาดที่ดีที่สุดฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะคบก็ให้เข้าหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่ก็พบตัวแทนของพุทธเจ้าสองคนคือพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสง์สาวกถ้าเราครบกับท่านเราจะได้รับความฉลาดความรู้จากท่าน จะได้รู้จักวิธีการกระทำความดีแล้วต่อไปเราก็จะเป็นคนฉลาดคนดีถ้าเราครบคนโง่คนไม่ดีเขาก็จะให้ความโง่กับเราสอนเรื่องที่ไร้สาระกับเราสอนให้เราไปกินเหล้าสอนให้เราไปเล่นการพนันอย่างนี้สอนให้เราไปรักทรัพย์เดียวก็กลายเป็นคนไม่ดีได้ ค, ดค่ะ ทำไมเราปฏิบัติทําแล้วจิตใจอ่อนแอน้ําตาเหมือนจะไหลอยู่ตลอดและชอบสงสารคนอื่นๆคะก็สติเรายังมีกําลังน้อยถ้าเรามีสติมีกําลังมากขึ้นจิตจะมีอุเบกขามากขึ้นตอนนี้จิตยังอ่อนยังอ่อนไหวอยู่เพราะสติยังมีกําลังน้อยอยู่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ยังไม่เป็นต้นใหญ่ก็มันพยายามลดน้ําพรนดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม มันจเจริญสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆให้มีอย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปจิตเราจะมีความเข้มแข็งจิตเราจะเฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณกิสณาค่ะการนั่งสมาธิเมื่อจิตรวมนิ่งสงบแล้วควรจะนั่งนานสักเท่าไหร่จึงจะเปลี่ยนอริยบทมาเป็นการเดินคะ อ๋อมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเพราะมันรวมแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ทำอะไรจิตมันจะสักแต่ว่ารู้ไปของมันจนกว่ามันจะอิ่มตัวแล้วถอนออกมาพอมันถอนออกมามันก็จะเริ่มรับรู้อาการต่างๆของร่างกายของรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดความอยากขยับอะไรขึ้นมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็เจริญสติต่อไปดูลมต่อพุทโธต่อ ถ้าไม่อยากแล้วขี้เกียจแล้วก็ลุกขึ้นมาถ้าอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำถ้าถ้าอยากจ ะ, จะเรินสติต่อก็ไปเดินจงกรมต่อหรือว่าทำงานก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำทำไปจนกว่าเราจะว่างเราก็กลับมานั่งใหม่คำถามจากคุณเลืองสีค่ะขอากาบเรียนถามเรื่องอุเบกขาทางค่ ะ, คะอย่างไรจึงจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องคะอันนี้ต้อง ต้องปฏิบัติถึงจะถูกต้องสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพูดไปก็ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงต่างกันอย่างไรอธิบายได้ไหมว่าสีเขียวกับสีแดงมันต่างกันอย่างไรก็<ม>อบอกให้เขาลืมตาดีกว่าบอกวิธีให้เขาลืมตาตอนนี้เขาปิดตาก็ เ, าเอาผ้าไปปิดตาเขาเองบอกเอาผ้าออกซะแล้วก็จะเห็นตอนนี้คุณไม่ยอมหยุดคิดคุณก็เลยไม่มีเห็นอุเบกขา เล่าให้ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจว่าอุเบกขาเป็นยังไงลองไปนั่งดีกว่าหยุดความคิดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรอุเบกขาก็ขึ้นมาเองคำถามจะคุณต้นทุนค่ะกระผมนั่งสมาธิแต่ละครั้งจะนั่งได้ไม่เกินชั่วโมงทุกครั้งเลยไม่ได้เจ็บจากอาการเวทนานะครับเหมือนมันได้สี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีมันจะเด้งออกมาเองเลย พออุบายวิธีที่จะนั่งให้นานขึ้นกว่าเดิมครับก็เหมือนรถยนต์นะพอน้ำมันหมดจะทำไงน้ำมันหมดรถก็จอดใช่อยากใช้รถวิ่งต่อทำไงก็ต้องเติมน้ำมันสตินี่ก็คือน้ำมันของจิตนะพอเราใช้สติให้ใจนั่งพอสติหมดกําลังมันก็นั่งไม่ได้ถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องเติมสติขึ้นมาใหม่พุทโธต่อไปบังคับให้มันพุทโธ ถึงแม้มันจะไม่อยากพุโทโธก็บังคับให้มันพุโทโธถ้าบังคับได้มันก็นั่งต่อได้คำถามจากคุณทวิชาค่ะการทําความเข้าใจบทพยัญชนะในพระไตรปิฎกมีประโยชน์สําหรับผู้ปฏิบัติหรือเปล่าคะการอ่านอะไรมันก็ต้องเข้าใจถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้า่านแล้วไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับไม่ได้อ่านเหมือนกับการฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็เหมือนกับไม่ได้ฟัง วิธีที่จะฟังให้เข้าใจก็คือเวลาฟังแล้วต้องพิจารณาตามคิดตามถ้าเวลาฟังแล้วมัวไปคิดเรื่องอื่นฟังไปก็ไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังอะไรอยู่ค่ะคำถามจากคุณธนพรค่ะโยมนั่งสมาธิมีอาการสมาธิลงลึกดังนี้เหมือนร่างกายเป็นสุนยากาศว่างๆโล่งๆแต่โยมก็กำหนดจิตอยู่เสมอว่ามีสภาวะใดเกิดขึ้นเวทนาแทบไม่มี โยมนั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิมอาการเดิมโยมจะแก้ไขอย่างไรคะก็นั่งให้มันบ่อยๆนั่งให้มันติดใจถ้ายังไม่ถึงจุดที่มันมีความสุขก็แสดงว่ายังไม่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้ามันสงบเต็มที่แล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะติดใจมันจะไม่อยากไปทำอะไรอย่างอื่นมันอยากจะนั่งบ่อยๆนั่งมากๆคำถามจากคุณสุวัฒนาค่ะถ้าเราคิดว่าจะละเมิดศีล แต่เราไม่ได้ทำเราจะผิดศีลหรือไม่คะถ้าไม่ได้ทาก็ไม่ผิดความคิดนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดความผิดเพียงแต่เป็นอกุศลจะเป็นความผิดต่อเมื่อเราแสดงออกทางกายทางวาจาพอเราคิดไม่ดีเรารีบหยุดมันเสียใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่ไปพูดไม่ไปทำอะไรโทษคือความเสียหายหรือบาปก็จะไม่เกิดขึ้นคำถามจากคุณนันทนาค่ะ การรักษาศีลห้าไม่เพียงพอที่จะทำให้ใจสงบได้ยังไม่ทำให้ใจมีความสุขได้ยมคิดว่าการฝึกสมาธิวิปัสสนาถึงจะทำให้ใจมีความสุขแต่ทำอย่างไรเราจะมีความเพียรมากๆเจ้าคะ่ะก็ต้องคอยควบคุมบังคับตัวเองกำหนดตารางนั่งเป้าหมายอธิษฐานว่าวันนี้จะนั่งสามชั่วโมองเวลาเน้นเวลานั้นเวลานั้นก็านนาทาตารางทาเวลาไว้ เมืนกันเรามีนัดกับคนนั้นคนนี้วันนี้เวลานี้เรามีนัดกับคนนี้เวลานี้เราก็ต้องรักษา เ, เวลาของเราไว้ว่าเวลานัดกับใครก็ต้องไปพบกับเขาให้ได้เราก็ต้องกำหนดเวลานั่งถ้าเราไม่กำหนดมันก็ไม่นั่งมันลืมมันก็จะไปทำอย่างอื่น เ, เราต้องมีวินยัยมีมีกรอบมีตารางเหมือนโรงเรียนใช่ไหมเวลาไปเรียนหนังสือนี่ก็มี ตารางนห้เรียนเวลานี้เข้าห้องเรียนเรียวิชานี้เวลานั้นเรียนวิชานั้นมันถึงจะมีการพัฒนามีการก้าวหน้าไปถ้าไปโรงเรียนแล้วลอาจารย์ก็ไม่มีตารางนักเรียนก็ไม่มีตารางก็ไม่รู้จะทําอะไรกันเด็กก็เล่นกันคุยกันดังน้นเราอยากจะมีความเพียรมากขึ้นเราต้องสร้างตารางของการกระทําขึ้นมาแล้วก็ต้องมีศัจจ์ความจริงใจต่อ ตารางที่เราตั้งไม่ใช่ตั้งแล้วก็ตั้งเหมือนโก้ๆอย่างนี้นถึงเวลาก็ไม่ทำนี้ก็ไม่ได้นะจะต้องมีสัจจะมีมีวิริยะความเพียรมีขันติความอดทนนั่นมันก็จะทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราควรจะทำกันคำ ถ, ถามจะคุณปลายฟ้าค่ะถ้านั่งสมาธิถึงความสงบระดับหนึ่งแล้วอยากพัฒนาขึ้นสู่ปัญญาต้องทำอย่างไรคะ ก็ปัญญาก็คือสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะมีความสุขตลอดเวลาได้มีอุเบกขาตลอดเวลาได้เราต้องไม่ให้ไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเกิดความอยากเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากเพราะความอยากนี่จะทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเราสัน่นในเวลาเราอยากได้แล้วนี้ใจเราเริ่มสันนะ่นแล้วคนที่อยากจะสูบเลยนี่มือไม้จะสัน่นแสดงว่าใจสัน่นะ เราก็ต้องพยายามทำใจให้หายสันด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธหยุดมันด้วยด้วยด้วยปัญญาที่สอนว่าเราไม่ควรทำตามความอยากนั้นเกิดความอยากถ้าใจมันสันก็หยุดความสันด้วยสติอย่าไปหยุดความสันด้วยการไปทำตามความอยากมั น, ม, นมันหยุดได้สองวิธีเวลาใจเราสันด้วยความอยากพอเราไปทำตามความอยากมันก็หายสันแต่มันหายเดียวเดียว เดี๋ยวความอยากใหม่มันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ความอยากโผล่ขึ้นมาเวลามันสั่นเราก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันพราะหยุดแล้วต่อไปความอยากนั้นมันจะไม่มีกำลังที่จะมาบังคับให้เราไปทำตามความอยากได้มันจะไม่มาทำให้ใจเราสั่นต่อไปอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดเห็นทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาความอยากและการไปทาตามความอยากก็ จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มันได้มาเดี๋ยวเดียวมันก็หมดไปหมดแล้วความสุขที่ได้ก็หายไปความทุกข์ก็อยากเข้ามาแทนที่ยั้นการทําตามความอยากจึงเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุดังเราต้องไม่ทําตามความอยากถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันจะหมดฤิ์หมดหม ด, หมดกําลังแล้วมันจะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปคําถามจากคุณมดแดงค่ะ อารมณ์บางอย่างที่เราไปรู้ไปเห็นมาเราก็ติดทําตามมันแล้วจนกลายเป็นนิสัยเสียของเราที่เลิกได้ยากจะต้องทอํายังไงคะก็เลิกได้เพียงแต่ต้องฝื้นเหมือนไงต้องสร้างกําลังขึ้นมาสร้างสติสร้างปัญญาสองตัวนี่ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วนิสัยไม่ดีต่างๆนี่เราเลิกได้หมดคำ ถ, ถามจากคุณเอ็กี้ค่ะการตายแล้วฟื้นดีจริงไหม แล้วช่วงที่ตายไปจิตไปอยู่ที่ไหนครับ อ, อ๋อถ้าตายแล้วฟื้นก็แส ด, ดงว่าตายไม่จริงไงอาจจะเข้าโคมา่าหรืออะไรชั่วข่าวช่วงนั้นร่างกายอาจจะต้องถามหมอดูหมอเขาลุ้มหนาหมอนั่งอยู่ข้างหลังเนละบางทีตายแต่ก็ไม่สามารถจับชีพจรได้แต่มันอาจยังไม่ตายจริงก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็จิตก็ยังอยู่ยังติดต่ออยู่กับร่างกายอยู่พอร่างกายฟื้นเริ่มทํางานจิตก็รับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกายได้ต่อไปตัวจิตนี้ไม่ได้เข้าไปในร่างกายตัวจิตนี้เหมือนกับมาเอาเอาเอ า, เอากระแสวิญ ญ, ญาณมาเสียบไว้ที่ร่างกายเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ตาแล้วก็เรียกว่าจักขุวิญ ญ, ญาณที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเเพื่อจะได้รับรูปรับเสียงใจเป็นผู้รับรู้อยู่อีกจุดหนึ่งใจนี่อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยตัวร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทาตเชื่อมต่อด้วยกระแสวิญ ญ, ญาณช่วยต่อด้วย กระแสของความคิดปรุงแต่งใจจะรับกระแสด้วยวิญญาณรับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยกระแสของวิญญาณแล้วใจก็สั่งการกลับมาด้วยความคิดปรุงแต่งสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นเดี๋ยวพอร่างกายพอใจบอกสั่งให้ลุกเดี๋ยวร่างกายก็ลุกแล้วตอนนี้ไม่ได้สั่งให้ลุกก็ยังนั่งอยู่ตอนนี้เพียงแต่รับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ถ้าเกิดร่างกายสลบจลายไป เข้คม่าไปก็ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆจากทางร่างกายได้แต่ยังไม่ขาดจากกันจะขาดจากกันตายเมื่อร่างกายตายจริงๆไม่ทํางานอันนั้นก็จะใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อคําถามเจ้าคุณอุบลรักค่ะเคยได้ฆ่าสัตว์เล็กเช่นยุงมดเป็นส่วนมากเจ้าค่ะถามพระอาจารย์ว่าบาป ท, ที่เคยทํามาตั้งแต่อดีต จะมีวิธีลดลงได้ไหมเจ้าคะคือลดลงไม่ได้แต่ทำให้มันไม่เพิ่มขึ้นได้ด้วยการไม่ทำบาปใหม่ส่วนบาปเก่าก็ต้องรอให้มันส่งผลไปถึงเวลามันก็ส่งผลไปแต่เราสามารถรอให้รอลงอายาได้ด้วยการทำบุญให้มากกว่าบาปถ้าเราทำบุญมากกว่าบาบุญจะมีกำลังให้ผลมากให้ให้ผลก่อนที่บาปจะมามาให้ผลได้ เอ็งหนังพยายามทําบุญให้มันติดบวกอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันแเมว่อเวลาเราตายไปบุญเรามากกว่าบาปบุญมันก็จะส่งผลก่อนมันก็จะส่งให้เราไปเกิดบุญสวรรค์ไปเป็นเทเป็นมนุษย์ก่อนแต่ถ้าบาปมันมี ม, มีกำลังมีมีกลังมากกว่าบุญเมื่อไหร่เวลานั้นอ่ะมันก็จะส่งให้เราไปเกิดนาบายกันคำถามจากคุณนุธนันค่ะแค่จะเริ่มนั่งสมาธิก็ทาไม่ได้ค่ะ กลับไปดูทีวีเล่นโทรศัพท์แทนไม่ง่วงตื่นตัวพอจะนั่งสมาธิกับง่วงจะทําอย่างไรให้เราเข้มแข็งสู้กิเลสได้ค่ะก็ต้องฝึกสติก่อนสติเราไม่มีกําลังต้องหัดฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพอลืมตาลองท่องพุทโธไปเรื่อยๆนั่งอธิษฐานมาต่อไปนี้พอลืมตาขึ้นมาจะหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจ ในช่วงที่ทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆเช่นเวลาอาบน้ำอาบทาบล้างหน้านะแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่ไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ให้ใช้พุโทโธแทนพอเรามีสติมากขึ้นเดี๋ยวเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงเวลาอยากจะไปดูละครมันก็จะหยุดมันได้มีสแสดงว่าสติเราไม่มีกาลังเลยพออยากไปดูละครก็ไปเลย พอนั่งสมาธิก็อยากจะหลับเลยสติอ่อนมากต้องพยายามเหมือนเจริญสติให้มากคำถามจ้าคุณชุติมาค่ะเวลาเกิดทุกข์ใจจะไม่สงบจะทำอย่างไรจะดับทุกข์ได้คะก็เช่นเดียวกันเนี่ยเพราะไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็หลับดับได้ชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็ดับได้ถาวรเพราะทุกข์เกิดจากเหตุคือความอยาก ถ้าเราวว through through enrolled, oons, ous, รู้ว่ารู้ด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเช่นอยากให้มรกคอเป็นส okay, ัพรลเนี่ยอยากเป็นจมน้ำตายก็ไม่มีวันัจะให้มรกคอเป็นสัพพลสนได้เหมือนอยากให้แฟนเราไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยอยากเป็นจมน้ำตายเขาก็ดื่มของเขาเห็นถ้าเขาอยากจะดื่มเราไปห้ามเขาไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่เป็นงั้นถ้าเราหยุดความอยากนี่ได้ยอมรับความจริงของเขาก็เป็นสัพพลสนก็ปล่อยเขเป็นสัพพลสนไป เขาอยากไปยายาก็เป็นมลรคอเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเขาอยากจะดื่มสุราก็ปล่อยเขาดื่มไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุทโธใช้สติหยุดมันก่อนอย่าไปคิดถึงเขาเวลาคิดถึงเขาทีไรแล้วนะทุกข์ก็พุทโธพุทโธไปพอพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมเรื่องของเขาพอลืมแนละ้วความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราว แต่ทุกครั้งไปเจอเขาไปคิดถึงเขาก็จะทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญานี้จะทุกข์จะหายอย่างถาวรตอไปเจอเขาก็เฉยก็ อ, อยากจะเป็นมารรคก็เป็นไปก็อยากจะดื่มสุราก็ปล่อยเขาดื่มไปคำถามจะคุณปายฟ้าค่ะเวลาที่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นการดูหนังอ่านหนังสือหรือนั่งฟังผู้อื่นแล้วอยู่ๆจิตเกิดอาการสราย แล้วอาการเหมือนตอนจิตรวมตอนนั่งสมาธิเราควรทำอย่างไรคะเพื่อแก้อาการนี้คะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็ใช้สติแล้วแหละถ้ามันสายมันสั่นก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดมันคำถามจากคุณนภศรคะ่ะการทำทานถ้าทำให้กับโรงพยาบาลหรือสถานเด็กกำพร้าจะได้อานิสงส์เท่ากับทาที่ไหนคะ คือบนที่ได้คือความรู one, ้สึกทางจิตใจนี่เหมือนกันแต่ประโยชน์นี่ต่างกันโรงพยาบาลก็ทําประโยชน์อย่างหนึ่งโรงเรียนก็ทําประโยชน์อย่างหนึ่งวัดก็ทําประโยชน์อย่างหนึ่งยันประโยชน์ที่เกิดจากผู้รับนี้เขาเอาไปทําประโยชน์ต่างกันทางโรงพยาบาลก็ทําประโยชน์ทางร่างกายทางวัดก็ทําประโยชน์ทางจิตใจถ้าถามว่าอันไหนมีคุณค่ากว่ากันมีความสําคัญกว่ากันทางจิตใจสําคัญกว่า จิตใจเป็นของถาวรจิตใจเป็นของไม่ตาย<ม>แต่ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวรักษาพยาบาลให้ดีอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องตายไป<ม>ตายไปก็หมดแต่จิตใจนี้ถึงแม้ว่าร่างกายตายไปแล้วสิ่งที่ได้รับประโยชน์ทางจิตใจไม่ไม่สูญหายไปกับความตายของร่างกายฉั<ม>นสอนให้เป็นคนรักสอนให้คนรักษาศีลห้าได้ตายไปเขาก็ยังรักษาศีลห้าต่อไป กลับมาเกิดเขาก็จะกลับมารักษาศี่ท่าต่อไปได้อย่างถ้าถามว่าประโยชน์ทางไหนจะมีความสําคัญกว่าการก็ต้องประโยชน์ทางจิตใจเราถึงถือว่าการทําบุญกับวัดนี้สําคัญกว่าการทำบุญกับที่อื่นแต่ถ้าวัดมีพอเพียงแล้วก็ไปทําที่อื่นได้แต่ไม่ควรที่จะมองข้ามวัดไปวัดนี้เป็นเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาจิตใจกันแต่ถ้าวัดเขาพอแล้ววัดก็พร้อมแล้ว ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไปช่วยทางอื่นต่อไปช่วยทางโรงเรียนช่วยทางโรงพยาบาลต่อไปแต่บุญที่เราทำนี้ได้เท่ากันสมมติเราทำบุญพันบาทกับโร ง, โรงพยาบาล ท, ทำบุญพันบาทกับโรงเรียนทำบุญพันบาทกับวัดนี้เราได้บุญเท่ากันทางจิตใจเราเราได้เท่ากันคาถามจะคุณชนะตนค่ะ การที่เราจําเป็นต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่โลกแทงข้างหลังเราบ่อยๆแต่อยู่ด้วยเท่าที่จําเป็นต้องอยู่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงโดยที่จิตไม่ได้เกียดชังเขาแต่เห็นว่าไม่ควรคุกคีด้วยถือว่าทําถูกไหมคะก็ถูกแล้วนะหละให้แผ่เมตตาเนี่ยแหละเวลาจะแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนนี้นะตอนเจอที่เจอคนที่เขาจะทําร้ายเราคิดร้ายกับเราเราก็อย่าไปตอบโต้แล้วเรื่องมันจะไม่บานปลาย แล้วก็อยู่ด้วยกันได้ปล่อยเข้าไปคำถามจากคุณวันดีค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วตัวลอยตัวหมุนจะจะกำหนดอย่างไรคะอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจแลืออยู่กับพุโทโธไปาบางทีอาการเหล่านี้มันหลอกเรามันเป็นความรู้สึกความคิดปรุงแต่งของใจหลอกเราเองคำถามจากคุณธนพรค่ะ สมาธิลงลึกอยู่ในขั้นระดับใดของสมาธิสามารถพูดได้ว่าชาสมาบัตหรือยังเจ้าคะอ๋ออย่าไปกังวลเลยเอาแค่สติให้ได้ก่อนเถอะแล้วพอมีสติแล้วนั่งแล้วมันจะรู้เองนะตอนนี้พยายามฝึกสติไปก่อนคำถามจากคุณภาวดีค่ะความรักความห่วงความปรารถนาดีคือความยึดหรือเปล่าคะก็ อ, อยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดไง คนเราลักแล้วไม่ยึดก็ได้รักแล้วยึดก็ได้เหมือนคนเราเรื่องกันความเกลียดก็ยึดได้เกลียดคนนี้ก็เกลียดอยู่ไปเรื่อยแสียว่ายึดเนี่ยถ้าเกลียดแล้วเปลี่ยนมาลักทีหลังก็เรียกว่าไม่ยึดละนั้นก็อยู่ที่เราอ ย, อยู่ที่ยึงวิธีไม่วิธีสติก็ปัญญาสติก็อย่าไปคิดถึงมันพุโทโธพุโทโธไปทําใจให้สงบมันก็จะไม่ทุกข์กับความธรรมดาห้ามมันไม่ได้ เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บเวลามันจะหายมันก็หายเวลามันไม่หายมันก็ไม่หายถ้าไปอยากเรามันจะทุกข์ถ้าไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอันนี้ก็ปัญญาคำถามจากคุณกวางค่ะเราสามารถฝึกนั่งสมาธิเองได้ที่บ้าน หรือจำเป็นต้องไปฝึกกับครูบาอาจารย์ดีคะถ้าเราถ้าฝึกเองแล้วปฏิบัติผิดจะมีผลเสียอะไรไหมคะถ้าฝึกผิดมันก็จะไม่ได้ผลความเสียหายก็อาจจะเสียหายอาจจะหลงผิดเป็นชอบอยิ่งการจะฝึกสมาธิหรือไม่ว่าจะ ก, การจะทำอะไรที่เราไม่รู้นี่เราต้องมีคนสอน เ, อเราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องเราถึงต้องไปโรงเรียนกัน ที่เราไปโรงเรียนการเพื่อจะไปเรียนวิธีที่เราจะาทำอะไรได้ถูกต้องไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาการนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการการกระทำอย่างหนึ่งเหมือนกับการที่เราทำอะไรต่างๆที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็ต้องไปสอนไปถามคนที่เข้ารู้ให้เขาสอนเราเพื่อเราจะทำได้อย่างถูกต้องเพราะการกระทำนี้มันทำแล้วมันจะเกิดโทษขึ้นมาก็ได้ถ้าทาไม่ถูกหรืออาจจะไม่เกิดโทษแต่ก็ไม่เกิดผล ดังนั้นควรที่จะมีผู้สอนแต่ผู้สอนไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่กับเราตลอดยี่สี่ชั่วโมงได้ไหมไม่ต้องมานั่งกับเราตอนที่เรานั่งสมาธิผู้สอนก็อย่างตอนนี้กําลังสอนอยู่ที่ไหนก็รับฟังได้นี่อยู่ที่บ้านอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีนั้ง30ประเทศที่ติดตามฟังอยู่ยก็ก็สอนไปเรียนไปเสร็จแล้วก็ไปนั่งหาที่นั่งที่ไหนเหมาะสมกับเราที่บ้านถ้าสงบนั่งได้ที่บ้านก็นั่งที่บ้าน นั่งที่บ้านไม่ได้ก็ออกไปหาที่ไหนที่มันสงบเออจะเป็นที่วัดก็ได้อที่ป่าที่เขาก็ได้ชายทะเลก็ได้ที่ไหนที่เราไม่มีอะไรมารบกวนเราอยู่คนเดียวได้อันนั้นก็เป็นที่ที่เราจะทําใจให้สงบได้คําถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะกวาดมดจับแมลงสาบได้แล้วเอาไปปล่อยนอกบ้านเป็นการภากษสัตว์ออกจากรางเขาถือว่าเราทํำบาปไหมคะ ไม่แบบปหรอเพราเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเพียแต่ว่าเราต้องอจัดการให้เขาอยู่กับที่ที่เหมาะสมให้เขาอยู่ในส่วนที่เขาไม่มาเบียดเบียนผู้อื่นตอนนี้เขามาเบียดเบียนเราเราก็ต้องอแก้ไขปัญหานี้แต่เราก็ไม่เบียดเบียนเขาเพียงแต่ว่าเราต้องให้เขาย้ายที่อยู่ไปคําถามจากคุณลูกอรุนค่ะเคยตั้งใจถือศีลแปดทุกวันพระแต่มีลูกเล็กอยู่สองคน เลยปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะไม่อยากทิ้งหน้าที่เตยังไม่ไปเที่ยวไหนนอกจากไปโรงเรียนลูกตอนค่ำก็นอนกับพื้นแข็งๆทําแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะเป็นการถือศีลแปดไหมเจ้าคะไดถ้ถ้าถ้าถื 8, อศีลแปดตามที่ข้อห้ามเขาห้ามไว้ไม่ให้ทำก็ได้ถึงแม้จะต้องจับเนื้อต้องตัวลูกก็ไม่เป็นไรแร้วเพราะเราไม่ไปร่วมหลับนอนกับลูกไม่ใช่แนละ้วเราไม่มีเพศสัมพันธ์กับลูกน ที่เขาไม้แตะเนื้อต้องตัวกันเขากลัวเดี๋ยวจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาสำหรับผู้ใหญ่เดี๋ยวจะรักษาสินข้อสามไม่ได้ถหมดแล้วนะหลายเวลานิดหน่อยหรห้าหกนาทีอาจารย์ครับท่านเทศถึงเมตตาบามีบอกว่าเวลาเราแผ่เมตตาท่านก็ปือการสอนตัวเราเองเวลาเรา่งสมาธิอะไรนี้แล้วก็คนที่เราอาจจะไม่เจอ เราแผ่มเมตตาไปนี่ได้ผลไหมครับไม่ได้ผลเนาะเพราะเขาไม่เจอเราเราต้องเจอเขาถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็แผ่มเมตตาให้เขาได้ถ้าแคเป็นคนเหรครับเราอุทิศ<ม>บุญกุศลไปให้เขาแผ่มเมตตาไปให้เขาให้กับคนคนนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ยไม่ได้เนาะไม่ได้ก็ต้องเอาของไปให้เขาไงของที่เราจะไปทําบุญก็ไปให้เขาโดยตรงเลยก็เนีแผ่เมตตาเช่นวันเกิดเขาเราก็ซื้อของขวัญไปให้เขาเนี่ย ก็เป็นการให้ความสุขกับเขาที่ที่เราต้องทำาอาบุญอุทิศไปเพราะว่าเราไม่สามารถเอาของไปให้เขาได้แล้วเขาตายแล้ว mm. เขาเป็นดวงวิญญาณแล้วของที่เขาจะรับได้เป็นบุญเราก็เลยต้องมาทำบุญแล้วก็เอาบุญที่เราทานี้ส่งไปให้เขาอีกทีนึ่งแต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่แล้วก็อของไปให้เขาเลยแล้วถ้าเปิดก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เราก็คงไม่ได้เจอเขาแล้วไม่มีโอกาสจอของไปให้ก็ส่งไปทางไปเสน่ห์ oh. <laughs> ถ้ายังติดต่อกันได้สามารถโอนเงินไปให้ก็ได้ถามถามบัญชีหมายเลขบัญชีว่ามีบัญชีหมายเลขเท่าไหร่ก็กด ม, ม, มือเธอไปก็โอนไปก็ได้ถ้าเราอยากจะให้เขอเข้าใจนะอมีอไหมเข้ามายัางมีมาอีกหนึ่งข้อคอับเข้ามาคําถามจากคุณจรค่ะวิปัสสนากับความคิดต่างกันไหนครับแล้วต่างกันอย่างไรครับ คืว yeah, ิปัสสนานี้เป็นความคิดที่จะสอนใจให้รู้ตามความเป็นจริงความคิดของเราตอนนี้มันเป็นคิดไปตามความหลงคิดไปคิดไปในเรื่องที่เป็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคิดว่าของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราหนึ่งทำให้เราทุกข์กันเพราะว่าเวลามันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันเวลามันไม่ได้เป็นของเราเราก็ทุกข์กัน พราะเราไปมีความเห็นผิดไปคิดว่ามันเป็นของเราคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดวิปัสนาก็มาสอนให้เราคิดตามความเป็นจริงให้คิดว่าของทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่เราหาความสุขกันนี้มันไม่เที่ยงมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ เวลามันไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่ามันต้องไปเหมือนกับเวลาเราไปยืมของใครเข้ามาเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเป็นของยืมพอถึงเวลาเจ้าของเข้ามาขอคืนไปก็คืนเขาไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้เราไปคิดว่าเป็นของเราเวลาเขาม า, มาเอาคืนไปเราก็จะเสียใจเพราะเราจะไม่อยากให้ไปปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราไม่อยากให้ของที่เราได้มาเสียไป แต่เราไปคิดว่ามันจะไม่เสียมันเราจะคิดว่ามันไม่จากเราไปเราถึงไม่อยากให้มันไปแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องไปเป็นของชั่วคราวเราก็เตรียมตัวเตรียมใจหยุดความอยากไม่ให้ไปพอถึงเวลาเ็าจะไปก็ให้เขาไปพอเราปล่อยเราเราก็เราก็จะไม่ทุกข์วิปัสสนาสอนเพื่อให้เราไม่มาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ เพราะของต่างๆที่เราไม่อยู่ไม่ว่าราบยศจ ะ, ะรัศเสินไม่ว่าตาหูจะหมุกลิ่นกายนี่เดี๋ยวมันต้องจากเราไปถ้าเรารู้ไม่ล่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอถึงเวลาไปเราก็ทําใจเฉยๆไปไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่รู้ไปคิดว่าต้องอยู่กับเราพอไม่อยู่กับเราก็โวยวายพยายามที่จะดึงมันไว้เหนี่ยวรั้งมันไว้เหนี่ยวรั้งยังไงก็เหนี่ยวรั้งไม่ได้เพราะความจริงมันต้องเป็นความจริงของมั น, นี มันไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงนี่คือวิปัสสนาตอนแ้กเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดเราจะทุกข์เราต้องไม่ยึดไม่ติดต้องพร้อมที่จะให้เขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาที่เขาไม่เที่ยงเวลาที่เขาไม่เป็นของเราแล้วนี่คือวิปัสสนาคิดไปตามความเป็นจริงตอนนี้เราคิดตรงข้ามกับความเป็นจริงคิดว่ามันเที่ยงคิดว่ามันเป็นของเรา คิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆนี่คือความคิดปรุงแต่งเอาแล้วนะคิดว่าอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์